3.16 ปัญหาของผู้ปฏิบัติปัญหาของผู้ปฏิบัติมีสมอย่างคือ 1. อติมานะคือความถือตัวว่ากูเก่งเหนือคนอื่นดูหมิ่นคนอื่น 2. อุทัศ ท, ทัศคือความฟุ้งซ่านเช่นไปดูคนอื่น 3. กูกะกุจจะคือความรำคาญใจขัดใจเร่าร้อนใจเช่นเมื่อไรจะได้สทธ ทางพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ป่าให้รู้ลงปัจจุบันไปภาวนานะอย่าไปเลือกสิ่งแวดล้อมเรายังจำเป็นต้องอยู่ในบ้านเราก็ภาวนาในบ้านเราต้องอยู่บนถนนขับรถอยู่ก็ภาวนาบนถนนอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาที่นั่น